วันนี้เป็นวันเสาร์ที่9พทศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้เป็นประจำตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย2โมงไป ที่นี่จะมีการแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยท่านที่มีความสนใจอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมแบบสดสลร้อนๆและมาปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรม ก็สามารถมาได้ตามเวลาดังกล่าวการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาทางพระพุทธศาสนาปัญญาก็คือความรู้ที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์ของใจปัญญาของพระพุทธศาสนานี้ จะสอนวิธีการดับความทุกข์ของใจไม่ได้สอนอย่างอื่นถ้าอยากจะเรียนรู้ความรู้ทางอื่นเช่น<ม>ถ้าอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ต้องไปเรียนที่สถาบันที่มีการสอนภาษาอังกฤษถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปศึกษาที่สถาบันที่สอนวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ของใจก็ต้องมาที่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะสอนให้ผู้ที่มาศึกษาเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้นำมาไปดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวร ความรู้ในทางพระพุทธศาสนานี้ก็แบ่งไว้สามขั้นตอนด้วยกันเรียกว่าสามปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมะยปัญญาแปลว่าปัญญาที่ได้เรียนได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ด้วยการศึกษาพระสูตรต่างๆหรือฟังเทศฟังธรรม เรียกว่าขั้นที่หนึ่งสูตตมัมจะปัญญา <c oughs> จากนั้นก็จะนาไปสู่ขั้นที่สองคือจินตามัมจะปัญญา <c oughs> หมายถึงความรู้ที่เราเอามาพิจารณาค่อยควรอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเอามาพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อเตือนความจำเพื่อให้อยู่ในความทรงจำ ไม่ให้หลงให้ลืมเรียกว่าจินตามยปัญญาแล้วก็ขั้นที่สามของปัญญาก็เรียกว่าภาวนาไมยปัญญาภาวนาก็แปลว่าการไปเจริญส ม, มถาภาวนาเพื่อให้ใจมีกำลังที่จะใช้ปัญญาที่ได้เรียนรู้จากสุตตามยปัญญาหรือจากจินตามยปัญญา เพื่อนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญสมถะภาวนาทาจิตให้สงบทาจิตให้มีอุบเบกขาจิตจะไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับความทุกข์ไปสู้กับเหตุที่สร้างความทุกข์คือกิเลสตัณหา จะไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัญหาได้ถ้าไม่ได้เจริญสมถะภาวนาถ้าไม่มีการหยุดใจให้หยุดคิดให้หยุดความอยากแบบชั่วคราวไว้ก่อนเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เกิดจากตัญหาความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะระ ง, งับดับความอยากได้ แต่ถ้าได้ไปฝึกสติไปฝึกสมาธิไปเจริญส ม, มถะภาวนาจิตก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้พอปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญส ม, มถะภาวนา เพียงแต่ฟังเทศฟังธรรมไปเพียงแต่พิจารณาทำไปเนืองๆพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะ<ๆ>ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ป<ๆ>พัญญาขั้นที่หนึ่ง<ๆ>ขั้นที่สองนี้เป็นขั้นที่เตรียมตัวเตรียม<ๆ>ความรู้ไว้<ๆ>นำไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นปฏิบัติ<ๆ>ขั้นสร้างกำลังให้กับจิตใจ ให้เอาปัญญาที่ได้เรียนรู้ที่ได้พิจารณาอยู่ในอนี้มาใช้ดับความทุกข์ของใจด้วยการหยุดความอยากต่างๆนีปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามขั้นภาวนาไมยัปัญญาขั้นที่หนึ่งฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้แล้วว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆแต่ก็พอเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ขั้นที่สองก็เป็นความรู้ที่ได้จากการคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวแล้วเราไม่เอาความคิดความรู้ที่เราได้รู้จากการฟังเทศฟังธรรม อยากการอ่านหนังสือทำมาพิจารณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านจากหนังสือก็อาจจะจางหายไปจากใจพอเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากสาเหตุ อ, อันใดนี่คือขั้นตอนของการเจริญปัญญาขั้นตอนแรกต้องศึกษาเ ร, รืเรียน หาความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับความทุกข์ของใจว่าทุกข์ของใจเกิดได้อย่างไรและวิธีที่จะดับความทุกข์ของใจนี้ดับได้อย่างไรศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดไปจากกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่นไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงให้มันอยู่ไปเรื่อยๆให้มันไม่ดับมันเป็นไปไม่ได้ไปอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราให้เป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เป็นไปไม่ได้พอมันเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นภานในใจทันทีเช่นอยากให้ร่างกายเรานี้เที่ยง คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นแต่ร่างกายของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราศึกษาดูความเป็นจริงของร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อมีการรวมตัวของธาตุของ ของบิดาและของมารดาและของดวงวิญญาณมาประสมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตั้งครรภ์ร่างกายของทารกก็จะเริ่มค่อยๆเจริญเติบโตโตวันโตคืนไม่มีหยุดยั้งพอเริ่มมีการปฏิสนธิแล้วการการดำเนินของร่างกาย ก็จะดำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งไปจนกว่าถึงวันที่ร่างกายตายไปเบื้องต้นก็จ ะ, จะเจริญเติบโตในคันของมันดาไปก่อนพอจเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายที่มีอวัยวะครบสามสิบสองพร้อมที่จะออกมาอยู่นอกคันของมันดาได้ <c oughs> ก็จะคลอดออกมา เวลาคลอดออกมาก็ยังเป็นตัวแล็กๆอยู่แต่แล้วพอออกมาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปทุกวันทุกคืนร่าง<ม>กายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการผสมของน้ำมัสุจิกับไข่ในคันของมันดา<ม>แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นอาการ32ของทารกพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ อารกนี้ก็ค่อยจเนนริ่ตอบโตขึ้นไปเรื่อยๆจากทารกก็กลายเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เป็นเด็กค่อยโตขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็เดินไม่ได้ยืนไม่ได้มีแต่นอนแล้วก็มาเริ่มหัดคลานก่อนพอคลานได้แล้วก็มาหัดยืนหัดยืนแล้วก็หัดเดินมีกำลังมากขึ้น การเนื้อต่างๆของร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นไปมากขึ้นร่างกายก็โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนร่างกายไม่มีวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นี่ก็ไม่เหมือนกันอวันนี้กับวันพรุ่งนี้ร่างกายก็เปลี่ยนไปนะแต่การเปลี่ยนของร่างกายมันถ้าดูทุกวันมันจะดูไม่ออกเพราะมันเปลี่ยนน้อย แต่ถ้าเราภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้เมื่อสิปีก่อนน้ามาดูภาพถ่ายในวันนี้ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าร่างกายของเรานี้เปลี่ยนไปเยอะ <c oughs> ถ้าจากจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ถ้าจากเป็นผู้ใหญ่ก็กลายเป็น <c oughs> คนแก่ไป <c oughs> มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปไเรื่อยๆตาม <c oughs> ตามธรรมชาติของร่างกาย <c oughs> ไม่มีวันหยุดยัง้ง <c oughs> เมื่อจเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วก็จะเข้าสู่การความชราร่างกายจะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะค่อยๆทืบคานเข้ามาอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> จนในที่สุดก็ถึงวาระสุดท้ายของร่างกาย คือร่างกายก็ต้องหยุดหายใจพอหยุดหายใจร่างกายก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปจากคนเป็นก็กลายเป็นสร้างศพจา ก, ากสร้างศพถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปธาตุที่อยู่ในร่างกายที่มารวมตัวสร้างร่างกายก็แยกทางกันไปกลับคืนสู่ที่เดิมของท่านท่านลมก็กลับไปสู่ท่านลม ธาตุน้ำธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟหรือแต่ธาตุดินก็กลายเป็นดินไปใไนที่สุดนี่ก็คือการสิ้นสุดครบวงจรของของชีวิตของร่างกายที่พวกเราอาจจะไม่ได้รู้หรืออาจจะไม่ได้พิจารณานะ<ม>ก็อาจจะไปหลงไปคิดว่าร่างกายของเรานี้จะอยู่เหมือนวันนี้ไปทุกทุกวัน จะอยู่ไปนานๆจะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายพอเราไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที <c oughs> ทุกข์เพราะว่าความอยากนี้เองความอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้น <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรามันสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยเรียกว่าทํา <c oughs> <c oughs>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 ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา <c oughs> ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่เราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริง <c oughs> ไม่ทุกข์กับความจริงเวลาที่เจอกับความแก่ของร่างกายเวลาที่เจอกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายเวลาที่เจอกับความตายของร่างกาย ถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองไม่ลืมแต่เวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจของเรายังทุกอยู่นี่ก็แสดงว่าใจเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ทั้งๆ ท, ที่เรามีปัญญามีความรู้รู้ว่าร่างกายต้องแกร่รู้ว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ว่าร่างกายต้องตายแต่เรายังทุกข์กับมันอยู่เรายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่อันนี้ก็เป็นเพราะว่ากิเลสตัณหาความอยากมันมีกำลังมากกว่าใจของเราคือสติเรามีสติที่จะ เอามาใช้ในการหยุดความอยากและปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์<ช>เราก็อยากจะหยุดมันแต่ถ้าสาติเรามีกำลังน้อยกว่าความอยาก<ช>เราก็จะหยุดความอยากไม่ได้เมื่อหยุดความอยากไม่ได้เราก็หยุดความทุกข์ไม่ได้หยุดความกลัวไม่ได้กลัวความแก่ กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายพอ mm hmm. เกิดความกลัวขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทรมานใจ mm hmm. อันนี้แสดงว่าปัญญาของเรายังไม่ถึงขั้นที่สามคือขั้นภาวนาเมยะปัญญา mm hmm. เรามีปัญญาขั้นที่หนึ่งรู้ว่านั่งกายไม่เที่ยงรู้ว่านั่งกายไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่นินน้ำลมไฟ mm hmm. ที่ผสมปรุงแต่งอยู่ในท้องของมารดาแล้วก็คลอดออกมามีใจผู้เป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดมาครอบครองมาใช้นั่งกายอันนี้ให้ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆแต่ใจที่ไม่มีปัญญาก็จะไปหลงคิดว่าใจเป็นนั่งกายนั่งกายเป็นใจนั่งกายเป็นของเรา ร่างกายเป็นตัวเรานี่คือความคิดของใจที่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เราเอามาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของธรรมชาติของดินน้ำลมไฟร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดท่านั้นเองผู้ที่มาครอบครอง ร่างกายผู้ดีมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของของใจร่า <c oughs> งกายเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนคนรับใช้ร่า <c oughs> งกายเป็นบ่าวใจเป็นนาย <c oughs> เราเป็นนายเจ้านายของร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายให้รู้จักแยกแยะความจริงว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกัน ร่างกายเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะธรรมชาติของใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ความหลงความไม่รู้ความจริงหลอกให้ไปคิดว่าตนใจเป็นร่างกายใจก็เลยไปทุกข์กับความแก่ความเจบ็บความตายของร่างกาย เพราะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาตามที่พระเจ้ทาทรงสอนว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครที่จะมายับยัง้งมาหยุดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ได้ ถ่าใจไม่มีความอยากที่จะไปให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือปัญญาที่ต้องเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆแต่การพิจารณาด้วยปัญญาด้วยจินตามัจญาปัญญานี้มันก็ยังเป็นจินนาการอยู่มันยังไม่เห็นของจริงยังได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเพราะเวลาที่ใจรวมเป็นหนึ่งใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวใจจะรู้ว่าโ อ, อใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองส่วนร่างกายก็เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่รอรับคำสั่งจากใจถ้าใจไม่สั่งให้ร่างกายทำอะไร ไม่เคลื่อนไหวอะไรร่างกายก็จะอยู่เฉยๆเช่นในขณะที่ใจเข้าไปในสมาธินี้ร่างกายก็จะไม่ไปไหนร่างกายก็จะอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเพราะผู้ที่สั่งการคือใจไม่ได้ไม่ได้สั่งให้ร่างกายทาอะไรเพราะดันั้นใจด้วยกำนาจของสติสามารถดึงใจออกจากร่างกายได้ชั่วคราวแล้วทำให้ใจได้เห็นความจริงหลายอย่างด้วยกัน เห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบา่าวล้วก็เห็นว่าถึงแม้ไม่มีร่างกายใจก็อยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วมีความสุขมากกว่าเวลามีที่มีร่างกายเสียอีกเวลามีร่างกายถึงแม้จะได้ความสุขจากทางร่างกายแต่มันก็มีความทุกข์มีภาระของร่างกาย ที่จะต้องคอยดูแลรักษา<ม>ต้องรับผิดชอบ<ม>อร่างกายต้องเลียงร่างกายต้องรักษาพยาบาลร่างกาย<ม>ต้องทุกต้องกังวลกับความไม่ปลอดภัยของร่างกาย<ม>แต่เวลาที่ใจไม่มีร่างกายนี้ใจสงบเย็นสบายมีความสุข<ม><ม>ก็จะทำให้ใจนี้เมื่อได้ออกจากสมาธิมา แล้วเริ่มพิจารณาแยกใจออกจากร่างกายาว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกันใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นของไม่เที่ยงก็ยอมรับได้รับได้ว่ามันไม่เที่ยงยอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้<ม>เพราะไม่มีร่างกายมันกับดีก็มีถ้าเราจะไปเสียดายร่างกายทําไมเวลามีร่างกายเราต้องมาทุกข์กับมันทุก อยู่กับการเลี้ยงดูมันก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งนะต้องคอยหาปัจจัยสี่มาคอยดูแลรักษาป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เกิดความทุกข์ยากลาบากต่างๆอันนี้ก็เป็นภาระภาระก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปในสมาธินี้บ่อยวางภาระไว้ชั่วคราว อันนั้นจิตอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร อ, อันนี้คือประโยชน์ของการจเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งแต่เรารู้พอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันเชื่อข่าวการแยกนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันแยกแบบที่ ยังสามารถรับรู้สิ่งที่เข้ามาทางร่างกายได้เช่นสามารถรับรู้ความรู้สึกเจ็บของร่างกายได้แต่ใจนิ่งสงบใจไม่มีความเดือดร้อนกับความความเจ็บของร่างกายใจอยู่เฉยๆใจอยู่ในอุบเบกขาสักแต่ว่ารู้ร่างกายเจ็บก็รับรู้ว่าเจ็บแต่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมัน แล้วก็รวมแบบที่ร่างกายหายไปเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลำพังตักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังอันนั้นร่างกายเป็นอะไรจะเจ็บไม่เจ็บนี่ไม่รับรู้เหมือนกับคนที่คนตายที่ดวงวิญญาณแยกออกจากร่างกายไปแล้วพอดวงวิญญาณแยกออกจากร่างกายไปเขาว่าเอาร่างกายไปเผาดวงวิญญาณก็ไม่ได้ทุกไม่ได้เดือดร้อนไปกับ การเผาของร่างกายแต่อย่างใดเพราะดวงวิญญาณนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมผัสรับรู้กับเรื่องของร่างกายอีกแล้วอันนี้คือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่ปัญญาขั้นที่สามขั้นแรกเราเรียนรู้ก่อนว่าความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นนิจจังให้เป็นอัตตาให้เป็นของเรา ให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดก็มีดับมีเจริญก็มีเสื่อมอันนี้รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายหามาได้ด้วยตัวร่างกายก็เป็นอนิจจังอนัตตาถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังอาตาัตตก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันจยเป็นไปไม่ได้ แล้วสิ่งต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายเช่นราบยศสรรเสริญน่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นสิ่งที่มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีมาแล้วก็มีไปมีเกิดแล้วก็มีดับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเก็บเอาไว้เป็นของเราให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ได้มาแล้วก็หมดไปอันนี้ก็คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปฏิบัติที่อยากจะดับความทุกข์ของใจต้องเห็นปลายลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปอยากได้เพราะไปหลงคิดว่ามันเป็นความสุขหลงไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตานิจจังก็คือเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรที่จะให้ความสุขไปตลอด เป็นที่จะเป็นของเราไปตลอดเป็นสมบัติของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถครอบครองเก็บเอาไว้กับเราไปได้ตลอดแต่ถ้าพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราจะเก็บไว้ได้เลยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายปั๊บสิ่งเหล่านี้ก็ ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้ความต้องการของใจได้ต่อไปเพราะร่างกายร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ต้องดับพอร่างกายดับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปกับใจได้สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกาย <c oughs> นี่คืออนิจจังที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นพิจารณาอยู่ในเมืง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 ที่เรามีอยู่เราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าใจเราไม่เคยฝึกสมาธิใจเราจะตกใจจะกลัวและว่าแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเมื่อเราไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ที่จะอาํานวยความสุขให้กับเราเเราต้องพัดภาคจากมันเราก็จะทุกข์อย่างอย่างมากเพราะไม่รู้จะหาอะไรมาเป็นที่พึ่งหาอะไรมาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิ เอาแยากใจเอาอจากร่างกายทำใจให้รวมเป็นหนึ่งสัตว์ตวัรู้ไม่ให้คิดไม่ให้อยากหรือแต่ความหรือแต่อุเบกขาความอิ่มความพออยู่ในใจใจก็จะรู้ว่าออเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีราบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอะไรมาให้ความสดกับเรานอกจาก นอกจากที่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ต้องใช้ราบยศสารเสริญสุขไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วยังจะ ไ, ไม่ไม่ต้องได้ความทุกข์ของร่างกายไม่ต้องได้ความทุกข์ของราบยศสารเสริญสุขด้วยเพราะร่างกายมันก็เสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาสูญเสียราบยศสารเสริญสุขไปมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์กับใจ พอใจไม่ต้องไปพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์กับอะไรต่อไปสิ่งที่สาคัญก็คือต้องมาแยกใจออกจากร่างกายด้วยการเจริญสมถะภาวนาคือต้องฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งอ拉ใจรวมเป็นหนึ่งสักตะวัรู้ใจจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดผ้แล้วทําให้รู้ว่าใจนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขก็ได้ใจก็จะมีความกล้ า, าหาญที่จะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปคอยพึ่งราบยศเสริญสุขให้มาให้ความสุขกับใจพอใจได้ความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบ mm hmm. ใจก็จะสามารถที่จะสละความสุขทางโลกได้สละความสุขพันที่ได้มาผ่านทางร่างกายได้และสะละร่างกายได้เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้การใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นผล คือดับความทุกข์ของใจได้ด้วยการหยุดตัญหาความอยากหยุดความหลงที่ไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราล่างกายเป็นของเที่งแท้แน่นอนที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดพอเราแยกจิตออกจากร่างกายได้ชั่วคราว <c oughs> เราก็รู้ทันทีว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร อยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบได้พอเรารู้อย่างนี้แล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเรามาเจอกับเรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าเรายัางไม่มีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาหยุดความอยากต่างๆเราก็มาเจริญสตินั่งเข้าสมาธิไปหพังๆก่อนไปสร้างกําลังของสติสร้างกําลังของสมาธิไปเรื่อยๆก่อนให้สติสมาธิมีกําลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น แล้วต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่ไปเจอความทุกข์ต่างๆก็สามารถใช้ปัญญามาพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบั ง, บงคับเขาได้ไปสั่งเขาได้เพราะเขาเป็นเหมือนดินน้ำนมใสเป็นดินฟ้าอากาศ เราไม่สามารถสั่งให้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ชั้นใดเราก็ไม่สามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้และสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเราจะสั่งเขาได้บางครัง้งบางเวลาถ้าสั่งได้ก็สั่งไปแต่ถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยต้องยอมรับความจริงถ้ายังไม่ยอมรับความจริงยังอยากจะสั่งเขาอยู่ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจเสยียใจขึ้นมา ก่ยความเศร้าใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเวลามีความทุกข์ทางใจมีความวุ่นวายใจไม่สบายใจให้ใช้ปัญญาค้นหาดูว่าความทุกข์ใจของเรานี้จตามหลักของพระอริยาสาัจสีมันเกิดจากความอยากของเราอันนี้เราอยากอะไรอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจ บุคคลนั้นบุคคลนี้ทำให้เราทุกข์ใจเราก็ต้องพิจารณาบุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเขาเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับเขาได้หรือไม่เช่นถ้าเขาไม่สบายเป็นโรคมาเเรงเราทำให้เขาหายได้หรือไม่ถ้าเราทำให้เขาหายไม่ได้เราอยากให้เขาหายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า พ่าเขามีโลกที่ไม่มีใครสามารถรักษาได้เขาจะต้องนิ่งแก่ความตายไปตามธรรมชาติของร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์ได้เพราะเราเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่ตายได้ อันนี้แหละคือภาวนาเมาย์ปัญญาถ้าเราสามารถสอนใจให้หยุดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราได้เพราะเห็นว่าใจเรากําลังทำเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ <IKEA. S 2> คือไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่เป็นของเราเป็นของไม่ของอยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเราทําไม่ได้ บางเวลาเราทำได้อยู่บางเวลาเราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราก็สั่งได้บางเวลาร่างกายไม่สบายเราก็รักษาได้ถ้ายังสั่งได้ยังทำอะไรได้อยู่ก็ทำไปแต่ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราจะไม่สามารถสั่งมันได้ห้ามมันได้เวลานั้นเราก็ต้องรู้จักทำใจรู้จักทำใจให้นิ่งเฉยวางเฉยสักแต่ว่ารูกอย่าไปสร้างความอยากขึ้น พอเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาเมื่อนั้นถ้าไม่เกิดความอยากความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตายความแปรปรวนของสิ่งต่างๆความสิ้นสุดการพัดพากจากสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจตัวเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจก็คือตัวความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ไม่มีการพัดพากจากกัน แต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะความเป็นจริงมันจะต้องเกิดขึ้นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนต้องมีการพัดผาาจากกันด้วยกันทุกคนงนั้นถึงที่เราต้องทำหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมได้รับปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตมายจปัญญาได้เรียนรู้แล้วว่าความทุกข์ของใจเราเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจัง สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราก็ต้องมาย้อนสอนย้อนสอนความหลงอันนี้สอนความหลงให้เห็นความจริงว่าร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายแต่ร่างกายก็เป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเพราะว่าถ้าร่างกายตายเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ก็สิ้นสุดตามร่างกายไปอยู่ดี เห็นเราเพียงแต่พิจารณาร่างกายนี้เราก็จะเห็นมองเห็นภาพภาพรวมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราใช้อยู่มีความสุขกับให้กับเราอยู่นี้มันก็อาศัยร่างกายเป็นเป็นเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็หมดหมดความหมายไปถึงแม้มันจะมีอยู่แต่มันก็ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับ ใจของของของที่ไม่มีร่างกายได้ใจที่ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ร่างกายหามาได้รับสมบัติข้าของเงินทองลาบยศทรัเสริญต่างๆก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปผู้อที่มาครอบครองก็ครอบครองได้ชั่วคาวเดี๋ยวเขาก็ต้องร่างกายเขาก็ต้องตายไปต่อไปไม่มีใครอยู่ยังยืนถาวร ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วมาครอบครองราบยศสารเสริญสุกได้ไปตลอดทุกคนก็มาครอบครองราบยศสารเสริญสึกได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างก็ขึ้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของความไม่แน่นอนในโลกนี้การเกิดแก่เจ็บตายของแต่ละคนนี้ไม่เท่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันไม่เไม่เหมือนกัน บางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าบางคนก็เจ็บมากบางคนก็เจ็บน้อยแต่ความแก่นี้มันก็เป็นไปตามเวระตามเวลาเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปมากขึ้นมากขึ้นสังขารร่างกายก็จะแก่ลงแก่ลงไปตามเวลาอันนี้เหมือนกันทุกคนแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยการมีโรคร้ายไม่มีโรคร้ายมีมากมีน้อยนี่ต่างกันไปอืม ความตายก็จะตายเร็วตายช้าก็ต่างกันไปแต่โดยภาพรวมมันก็เหมือนกันมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องมาคอยสอนใจเตือนใจอย่าไปกลัวความจริงถ้ากลัวความจริงแล้วเราจะไม่กล้ามองความจริงถ้าเรากลัวความจริงเราจะไม่กล้าพิจารณาความจริงเพราะเราไม่พิจารณาความจริงเราก็จะหลง คิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะลืมความจริงไปเนี่ยคนที่กลัวความตายที่ไม่กล้าคิดถึงความตายแม้แต่คำว่าตายก็ไม่กล้าคิดถึงเวลาคนตายแทนที่จะใช้คำว่าตายก็ใช้คำอื่นแทนหมดลมมั่งคนนี้หมดลมคนนี้สิ้นสิ้นใจคนนี้ถึงแก่สัญญกรรมคนนี้ถึงแก่มรณภาพมีแต่คาสวยๆงามๆคาที่ไม่น่ากลัวนั้น แต่คำว่าตายนี้ห้ามห้ามเอาเข้ามาใช้ในบ้านนี้เป็ น, น้นค่ะเพราะเหมือนกับเป็นการสาบแช่งเร่งความจริงมันก็ไม่ได้สาบแช่งเหเพราะมันเป็นความจริงคนทุกบ้านนี้มีมีความตายด้วยกันทั้งนั้นเช่นมีนิทานในสมัยพุทธกาลมีมีแม่คนหนึ่างทอดทารกออกมาแล้วอยู่ได้ไม่กี่วันทารกนั้นก็ตายไปแต่ความรักทารกความรักลูก อยากจะให้ลูกฟื้นคืนกลับม า, าก็ไม่ยอมเอาไปเอาไปทำชาปนากิจไม่เอาไปเผาไม่ไปฝังเก็บไว้ในบ้านแล้วก็กอดลูกร้องห่มร้องไห้ห อ, อยากจะให้ลูกฟื้นคืนมาชาวบ้านเห็นข้าวเพื่อนบ้านเห็นข้าก็สงสารก็บอกว่าลองไปหาพระพุทธเจ้าดูสิพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นคนที่เก่งนะท่านอาจจะช่วยทำให้ลูกของเราฟืน้นคืนขึ้นมาก็ได้ เขาเลยดีใจว่าอ๋อมีความหวังเลยวิ่งเร่เร่งรีบไปหาพระพุทธเจ้าทันทีพอได้กล่าวพระพุทธเจ้าก็ท่งเอาทาตลกที่ตายนี้มาให้พระเจ้าดูได้ทราบว่าท่านมีความสามารถที่จะสามารถทําให้ธาตลกของฉันนี้หายฟื้นคนืนขึ้นมาได้โปรดช่วยข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าบอกอ๋อง่ายมากเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นเลย แต่เธอต้องไปหามล็ดถักากาศมาให้เราสักกำมือสักสักกามือหนึ่งและเมล็ดถักากาศที่เธอไปหามานี้ต้องได้มาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าบ้านไหนมีคนตายเมล็ดถักากาศนั้นใช้ไม่ได้พอเธอได้ยินเธอก็มีความหวังขึ้นมาก็รีบกลับไปหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านคนบ้านถามว่ามีเมล็ดถักอากาศไหบ้านที่นี้ก็บอกมีกระถามมีคนตายไหมเขาก็บอกมี ไม่ไม่ปู่ก็ยากไม่ตาก็ยายไม่พี่กับน้องต้องมีคนตายทุกบ้านก็ตอบคำถามเหมือนกันบ้านไหนที่มีเมรดกผักกาดก็ตอบเหมือนกันว่ามีความตายแต่ในที่สุดเธอก็เลยได้รู้ความจริงศสัจธรรมว่าความตายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทาลกของเธอเพียงคนเดียวเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่เกิดมาแล้วจะต้องเจอความตายด้วยกันทั้งนั้นเธอก็เลยได้สติได้ปัญญาขึ้นมา ได้เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้มันไม่ตายพอเวลามันตายก็จะสร้างความทุกข์ความทรมารให้กับใจอพอเห็นความจริงยอมรับความจริงได้เปลี่ยนความอยากไม่ได้เปลี่ยนความอยากจากการอยากให้หายอยากให้อยู่ให้ยอมรับว่าเขาตายไปแล้วเขาไม่ฟื้นกลับมาไม่ได้ ใจก็หายทุกขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากลัวกันมากคือความตายอย่าไปกลัวความตายนี่แหละคือปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเอามาเชื่อเชิงกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าเรามองเห็นความตายแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางได้เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะเราจะเปลี่ยนวิธีของการอยู่ของเรา แทนที่จะอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงทั้งนั้นอ่ะจะมีสามีมีภรรยาก็ไม่เที่ยงมีลูกก็ไม่เที่ยงมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เที่ยงมันไม่สามารถให้ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่สามารถรับประกันว่าจะให้ความสุขไปได้ตลอด ม, มีร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเือนกันง<ม>ั้นถ้าตาบไดเรายังอาศัยหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ เราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ <sm all> ไปอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราหาผ่านทางร่างกายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องเจอกับความสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดลงมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราอาศัยร่างกายนี้ไม่ได้นะ้วอาศัยสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายไม่ได้เราต้องมาหาวิธีใหม่ าหาความสุขวิธีใหม่ความสุขวิธีใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็คือวิธีเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี่เองการเจริญการเจริญจิตตภาวนาอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ให้กับเราเป็นความสุขที่เราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัายะลาบยศเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นโรสผัวดะผ้า เพแต่ต้องอาศัยสติเป็นตัวสร้างและตัวสติและตัวปัญญาเป็นผู้ที่จะทําให้เราสามารถอยู่กับความสงบ<ม>อยู่กับความสุขไปได้ตลอด <ül> ดังนั้นถ้าเราเห็นแล้ว่าเรื่องของร่างกายเรื่องของกามกคุณห้าเรื่องของราบยศสารนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์ <ül> เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดา <ül> <ül> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลามันเสื่อม เราก็อย่าไปอาศัยมันเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการมาเจริญสติสตินี่แหละเป็นธรรมที่อันเลิศอันประเสริฐที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบนิ่งแล้วความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเราต้องเราจะรู้ว่าโรนนโง่มานานเมื่อก่อนนี้อุตส่าห์เล่นล่นไป ทำงานทำการไปเรียนหนังสือไปหาอะไรมาคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ได้ได้อะไรมาแล้วกลับมีความเครียดกับมันเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอน mm hmm. ได้งานมาก็ไม่แน่นอนว่างานจ ะ, จะตกงานเมื่อไหร่ได้ทรัพย์มาก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ mm hmm. ได้อะไรมานี่มันมันจะบอกเราอยู่เรื่อยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมไม่เที่ยงมันจะทำให้เรานี้ต้องกังวลต้องวิตกต้องห่วงใย ไม่มีความสุขกับการมีอะไรเลยแต่พอได้มาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขไปจากการหาความสุขผ่านทางลาบยศสรรเสริญจากทางล่ารูปเสียงกลิ่นลดทางร่างกายก็ให้มาหาความสุขผ่านทางกามเจริญสติให้ฝึกสติให้มากๆตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดก็หยุดความคิดแล้วเพื่อเวลามานั่งสมาธิจิตจะได้ไม่ฟุง้ง จิตจะได้นิ่งจะได้สงบได้เมื่อจิตนิ่งจิตสงบแล้วจิตก็จะได้เจอกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางร่างกายของทางราบยศสรรเสริญของทางรูปเสียงกลิ่นรสพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาให้คอยรักษาความสุขนี้ไม่ให้มันเสื่อมคลายไปเหตุที่มาทั้งความเสริมให้กับความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือตันหาความอยากต่างๆนี่ครับ เวลาจิตสงบเวลาไม่มีตัณหานี้จิตจะนิ่งสงบเย็นสบายแต่พอออกจากสมาธิมาพอจิตไปสัมผัสรับรูกบ้กับเรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางความคิดความอยากก็โผล่ขึ้นมาทันทีพอความอยากโผล่ขึ้นมาความเย็นความสงบความสบายก็เริ่มถูกความทุกข์ร้อนของความอยากปรากฏขึ้นมาทันทีใจก็เริ่มกระเพิ่มใจก็เริ่มกังวลกัวายกระสับกระสาย กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุขสลวเพราะความอยากนี้ทั้งเองท่า น, นเวลาออกจากสมาธิมาก็มีสองวิธีที่จะหยุดความอยากไว้วิธีแรกก็คือกลับมาใช้สติก่อนถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นพิจารณาตายลักไม่เป็นเราก็มาใช้สติใช้คำบากรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติเวลาออกจากสมาธิมา ทำสมาทำสติเหมือนกับตอนตอนก่อนที่เราเข้าสมาธิก็กลับมาเจริญสติต่อไม่ใช่พอออกจากสมาธิมาก็ทิ้งสติไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปลื่อยอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าปล่อยให้ทำแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะไปเจอกับความทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องคอยควบคุมความอยากควบคุม ค, มความคิดต่อไป หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญามามาหยุดความอยากได้ทำลายความอยากได้ก็ใช้สตินี้ไปก่อนสติที่พาให้เราเข้าสู่สมาธิได้สติที่ทําให้ใจเราสงบได้เแล อ, อกจากสมาธิมาก็ต้องรักษาสติต่อไปถ้าใช้คําบริกรรมก็บริกรรมต่อไปถ้าใช้ดูการดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายก็เฝ้าดูต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดตามความ ต้อตามอิสระภาพตามอิสระอยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดอยากจะอยากได้อะไรก็อยากใหม่ๆไว่ ไ, ไ, ไอยากได้อะไรบางอยา่างมันมันก็เป็นความสุขพออยากแล้วมันได้ดังใจอยากมันก็เป็นความสุขแต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องไปเจอกับสิ่งที่อยากแล้วไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้ตอนนั้นก็จะเจอกับความทุกข์ขึ้นดังั้นเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังไม่สามารถพิจารณา อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเช่นอยากไปเที่ยวนี้ถ้าเรายัางไม่สามารถพิจารณาเพราะว่าการไปเที่ยวนี้เป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเพราะคนที่เขาไปเที่ยวก็มีความสุขกันใช่มันเป็นความสุขในตอนต้นตอนที่ได้ไปเที่ยวแต่ตอนที่เวลากลับมาความสุขที่ได้มามันก็หายไปลนลก็ทำให้เกิดความเศร้าเกิดความเหงาเหมือนเดิมก็มอยากจะไปเที่ยวใหม่ ถ้าถ้อยากไปเที่ยวใหม่แล้วไม่มีเงินไปเที่ยวทีนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาวมันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพิจารณาเป็นเป็นฉากฉากไปถ้ามองแต่ฉากเดียวมองแต่ความความสุขที่จะได้จากการกระทําตามความอยากมันก็จะเห็นแต่ความสุขอย่างเดียวมันอยากได้อะไรพอได้แล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่มันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้มาความสุขที่ได้ ม, มันเป็นความสุขชั่วคราวพอได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็หมดไป พอหมดไปมันก็ทำให้เราเกิดมีความอยากใหม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราไม่ตอบไม่สามารถตอบสนองความอยากอันใหม่ได้ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นใหม่ <Yeah. S 1> นี่คือการใช้ปัญญามันลึกมันมันลึกซึ้งและมันกว้างขวางมันหลายฉากด้วยกัน <Yeah. S 1> ถ้ามองไม่เป็นจะมองจะมองไม่ทะลุความความหลงไม่ได้ความหลงมันจะเห็นสิ่งนั้นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีได้ไปเที่ยวก็ดีได้ดูหนังฟังเพลงก็ดีได้ไปดินเนอร์ก็ดี yeah. มันดีทั้งนั้นก็มันเป็นฉากแรกแต่ไม่ไม่มองฉากต่อไปพ่ามันทําแล้วมันติดนะมันต้องทําอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ทําแล้วมันจะทุกข์เหมือนเป็นเหมือนยา ng, เสพติดพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําด้วยความอยากนี่มันเป็นเหมือนยนะาเสพติดเวลาที่เราอยากแล้วเราได้ทําตามความอยากมันก็มีความสุขแต่เวลาที่เราอยากแล้วไม่สามารถทําตามความอยากได้เพราะอาจจะเป็นเพราะเงินทองไม่มีใช้หรือเพราะว่าร่างกายไม่สบาย พี่คนพี่การเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นแหละมันถึงจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากตามมาเราต้องคิดเผื่อไว้คิดล่วงหน้าคิดหลายๆฉากหลายๆขั้นหลายๆตอนด้วยกันไม่คิดไม่ใช่คิดแต่เฉพาะปัจจุบันทันด่วนอยากได้นู่นปั๊บพอได้ปั๊บก็ดีใจมีความสุขแฮปปี้กันฉลองกันดีใจก네ันแต่ไม่ได้มองว่าต่อไปเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไม่มีการฉลองกันเวลาสิ้น่ สิ้นสูญสิ้นสูญเสีย ส, สิ่งที่เรารักเราชอบไปไม่มีใครมันเราฉลองกันมิแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะไม่ได้คิดเป็นฉากฉากแรกก็คือได้ฉากที่สองคือเวลาเสียไม่คิดถึงเวลาเสียทุกสิ่งนี้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เลยก็ต้องเสียมันไปไม่มีอะไรที่จะได้แล้วเราจะเก็บไว้ให้อยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด ต้องคิดแบบนี้ทางปัญญาอ น, นิจจังคือความไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปแต่ถ้าเรามองแต่ฉากเดียวมองแต่ความสุขอย่างเดียวเราก็จะมองไม่เห็นความทุกข์มองไม่เห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่อนอนมองไม่เห็นอนัตตาความที่เป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครบ้างสามารถควบคุมบังคับได้ มันฝนตกแดดออกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครมาสั่งให้มันไม่ตกสั่งให้ฝนไม่ตกเวลามันจะตกมันก็ตกสั่งให้แดดไม่ออกมันเวลามันจะออกมันก็ออกเราต้องดูว่ามันทุกอย่างมันไม่ใช่อยู่ในการควบคุมของเราสามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะมันต้องพลิกมันต้องเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์จากจาก จากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ไปตลอดเวลา <Yeah. S 2> อันนี้คือเรื่องของปัญญาคือมองให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองให้เห็นอนัตตาว่ามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปพอเราอยากได้แล้วมันไม่ได้มันก็จะทําทให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจบางคนเสียใจมากๆก็ถึงกับคิดฆ่าตัวตายไป ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาของความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดจา ก, กร่างกายเป็นต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากกิเลสตัณหานี่ eigen. ต้องมาฆ่ากิเลสตัณหาต้องหยุดต้องหยุดมันให้ได้หยุดมันด้วยสติและหยุดมันด้วยปัญญาถ้าหยุดด้วยสติก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าถ้าหยุดด้วยปัญญาและสติพร้อมกันสองอย่างก็จะหยุดมันได้อย่างถาวรถ้าหยุดด้วยปัญญาอย่างเดียวก็ไม่มีกําลังที่จะหยุด เป็นปัญญาที่ได้จากการศึกษาได้ยินได้ฟังนี้มันยังไม่มีกําลังพอเรารู้ว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากใช่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์กันรา่างกายทุกข์เราไม่พอใจเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะใจเราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บนั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องมาหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีกำลังของสติสมาธิเราจะหยุดมันไม่ได้<ช>เราเพียงต้องทุก์กับมันไปก่อน<ช>ถ้าเวลาเราทุกข์แล้วเรารู้ว่าเราสติไม่กำลังไม่พอเราก็ยังสามารถเจริญสติได้ในตอนนั้นเลยพอทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันมันไม่หายก็ต้องพยายามภาวนาเยอะๆเจริญสติเยอะๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิ ทำจิตให้นิ่งให้สงบพอจิตนิ่งสงบแล้วจิตก็จะหายทุกจากจา ก, จากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้เพราะว่าเรามีเรามีกําลังที่จะหยุดความอยากความอยากที่อยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหายไปยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เน<ค>ี่ยคือสิ่งที่เราจะต้อง ศึกษาและเรียนรู้เบื้องต้นก่อนจากการได้ยินได้ฟังเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอารักษาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ด้วยการเจริญหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆคือปัญญาขั้นที่สองเรว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการค่ายควรวนพิจารณาด้วยความคิดของใจเรียนมาแล้วก็ต้องเอามาจดมาจําำวาท่องเพราว่าอันนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตา เของความทุกข์ก็เกิดจากความอยากที่อยากจะให้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุขขงังเป็นเป็นเป็นอเป็นนิจจังสุขขงังเป็นอัตาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วถ้ายัางห้ามใจไม่ได้ย่าห้ามความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องไปเจริญสติไปนั่งสมาธิทําจิตให้รวมทําจิตให้นิ่งให้ได้ เพรเวลาเราทําจิตให้รวมให้นิ่งได้แล้วเราหยุดความอยากได้เราจะมีความอยากมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้เพราะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราพิจารณาด้วยปัญญารู้ว่าเกิดจากความอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําตามความอยากได้เราถึงทุกข์ใจกันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็หยุดความอยากนั้นเปลี่ยนใจซิไม่อยากได้อยากได้น้อไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไปเซะ อยากถูกรถอยากถูกรถลาลีรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ถูกก็เปลี่ยนใจนะไม่ถูกก็แล้วไปเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้พอเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ใจก็หายทุกข์แต่ถ้ายังเปลี่ยนใจไม่ได้อยังอยากต้องตาให้ได้อยู่นั้นมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆเราจะหยุดมันได้เราต้องใช้สติใช้สมาธิควบคู่กับปัญญาถึงจะสามารถหยุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ ปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องประกอบสองส่วนด้วยกันคือปัญญาที่ได้จากการศึกษาได้จากการพิจารณาจนมันไม่หลงไม่ลืมมันอยู่ในใจของเราบว ก, กับกําลังของสติของสมาธิที่จะหยุดความอยากปัญญาตามลําพังนี้หยุดความอยากไม่ได้เนตอนนี้พวกเรามีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการนั่งไปค่ายควรว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ยังอดที่จะทุกข์ไปกับมันไม่ได้พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายยังไม่ได้ยังไม่ทันเกิดเลยก็ใจก็ไม่สบายขึ้นมานะถ้าเวลาถึงเวลาหมอไปไอ้นั่นหาหมอให้หมอตัวนี้ใจก็เริ่มไม่สบายแลยว้วว่าหมอจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากให้มันตายถึงแม้เราได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อย แต่ได้ยินในความรู้ที่ได้ยินในฝั่งนี้มันไม่สามารถหยุดความอยากของเราได้ต้องไปภาวนาต้องไปภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้นิ่งพอจิตใจสงบจิตใจในิ่งแล้วทีนี้ก็พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเกิดจากความอยากแล้วอยากอะไรอยากไม่เจ็บหรือแล้วห้ามความเจ็บได้ไหรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ หยุดความอยากเสียปล่อยให้มันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าไปอยากแล้วมันมันไม่หยุดความอยากใจเราก็จะทุกทุ ก, ท, กทั้งทุกทั้งทางน่านกายทุกทางน่านจิตใจน่างกายก็ทุกเพราะโาครคภัยไข้เจ็บจิตใจก็ทุกเพราะความอยากอยากให้ โ, โครคภัยไข้เจ็บหายไปแต่มันไม่หายจะทำยังไงถ้าอยากไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจ ถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ทางใจก็จะหายไปซึ่งความทุกข์ทางใจนี้มันรุนแรงกว่ความทุกข์ทางร่างกายด้วยถ้าเราหยุดความทุกข์ทางใจได้แล้วความความทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่มีน้ําหนักที่จะมาทําให้เราเดือดร้อนเลยเราสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายแต่สิ่งที่เราทนไม่ไหวกันนี้ไม่ใช่ความความเจ็บปวดหรือความทุกข์ของทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยาก คนที่ค่าตัวตายนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันทุกข์เพราะว่าของทางน่างกายมันมันทนกับความทุกข์ทรมาร์ของใจไม่ได้ของใจที่จะอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้น่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เทานั้นเอง <Contract> พอยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เราต้องยอมรับความจริงให้ อะไรจะเกิดก็ให้ปล่อยให้มันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยให้มันดับไปเราเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อย่าไปมีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ mm hmm. อันนี้ถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาขั้นที่สาม mm hmm. มีภาวนาไมายัปัญญา mm hmm. ปัญญาที่ที่ที่ผสมกับสมาธิ mm hmm. มีทั้งสมาธิมีทั้งมีทั้งปัญญา mm hmm. ถึงจะสามารถที่จะ เอาไปใช้สู้กับกิเลสตัณหาหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็หมดไปพอเรารู้จักวิธีใช้ปัญญากับสมาธิมาดับความอยากแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์เราก็จะแก้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าความทุกข์ทุกชนิดของใจนี้มันเกิดจากความอยากนั่นอต่างกันตรงที่วัตถุที่ใจไปอยากบางทีก็ไปอยากกับเรื่องของร่างกายบางทีก็ไปอยากกับเรื่องของเวทนา อันทีก็ไปอยากกับเรื่องของอารมณ์ของจิตแต่ปัญหาก็ตัวเดียวกันเผ็ดที่ทำให้ทุกข์ใจก็คือความอยากเหมือนกันเราก็จะสามารถที่จะใช้ปัญญามาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุว่อยากกับอะไรอยากกับร่างกายก็ต้องปล่อยยอมรับความเป็นไปของร่างกายอยากกับเวทนาก็ต้องยอมรับว่าเวทนามันก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากกับจิตใจก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ พอรู้แล้ปล่อยวางได้ใจก็หายทุกข์แล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปอ น, นี่แหละคือปัญญาทางวุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันอั้นที่หนึ่งคือขั้นเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเรียกว่าสุตตรมยญปัญญาหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือได้ฟังได้ฟังธรรมแล้วเราก็เอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาเตือนสอนใจไม่ให้ลืม ไม่หรือว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้รู้ว่าที่ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ความไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายสอนใจแล้วก็สอนใจว่าถ้าอยากจะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากแ้ะถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีกาลังที่จะหยุดก็ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วก็จะมีกาลัง ที่จะหยุดความอยากพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากก็สามารถหยุดความอยากได้เลยนี่คือคาปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาเมาย์ปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาเรียนรู้ขั้นที่สองคือการจดจาพิจารณาอยู่เนือ ง, เ, องเพื่อไม่ให้ดลงแม่ลขั้นที่สามก็คือการไปบเพ็ญจิตตภาวนาสร้างกาลังให้กับจิตใจให้จิตมีสมาธิมีกาลังที่จะหยุดความอยาก ถ้าพอเกิดความทุกข์แล้วพิจารณาด้วยปัญญาว่าเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็หยุดความอยากได้ทันทีความทุกข์ก็จะดับไปทันทีนนี้ก็เรื่องของปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่แบ่งเป็นสามขั้นด้วยกันคือสุตตะมายะปัญญาจินตามายะปัญญาและภาวนามายะปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผรยะทาวเรวาหาปูราปะริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังปะกับปิติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกป า, าจันโทปนะระโสยะทามณีโชติ อระาสุยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโคมีนัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังวุฒาปะจายิโนจตารโอธรมมาวัฏานติอายุวโนสุขังราลัง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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุตจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ287ปดท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติสา5รอหสิ้าท่าน YouTube ด r V 47ิเจวิทยุออนไลน์สิบสาคลับเ์สองนาคุหนึ่งร้อยสี่ิบห้ารวมทั้งหมด8 5ดร้อยห้าสิบท่านค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ พาาระอรหันต์มีกี่แบบเจ้าคะรู้สึกจะในตำรามีอยู่สี่แบบนะพาาระอรหันต์ที่เป็นแบบธรรมดาไม่มีไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีอภิญญาก็ออคือสิ้นกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่มีความสามารถพิเศษนี่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือพาาระอรหันต์ที่ระลึกชาติได้สามารถระลึกถึงชาติต่างๆได้ ในอดีตพระหลานกลุ่มที่สามก็คือพระหลานที่มีอภิญญามีฤทธิ์มีเดชสามารถมีตาทิพย์ูทิพย์สามารถมองอติดต่อกับเทวดาได้สอนเทวดาได้วันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ก็เป็นพระหลานที่มีความฉลาดในการแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นกลุ่มมีปัญญาเลิศ สามารถแสดงทำให้คนฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายได้บรรลุผลได้เร็วอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สี่มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ถ้าเรามีกิเลสขึ้นในใจเช่นความโกรธให้เรากำหนดรู้แล้วรีดชระกิเลสนั้นให้ออกจากใจเร็วที่สุดหรือให้กำหนดรู้แล้วดูอาการโกรธนั้นว่าเป็นอย่างไรดูกายว่ามีอาการอะไรบ้างดูไปเรื่อยๆจนมันหายไปเองแบบไหนถูกต้องเจ้าคะไม่ถูกฉะนั้นอ่ะต้องหยุดมันเลยนยมันรถจะวิ่งชนต้นไม้ก็ต้องเหยียบเบรกหยุดมันอย่าไปพิจารณาต้นไม้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น เ, นนเสียเวลา ก็รู้มันโกรธก็หยุดมันเท่านั้นเองก็จบถ้าหยุดไม่ได้ก็ไปฝึกสติให้มากๆแาดงว่าไม่มีสตินไม่มีสมาธิหยุดใจไม่ได้หยุดความโกรธไม่ได้แต่ถ้าฝึกสติฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งได้ถ้าหยุดใจได้ก็จะหยุดความโกรธหยุดกิเลสได้พอกิเลสโผล่ขึ้นมารู้ว่าความโกรธไม่ดีก็หยุดมันได้ ท, ทันทีไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้มันเสียเวลาที่พิจารณาว่าพ่อมันยังหยุดไม่ได้ ก็สู้การใช้สติไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนเลยอย่าไปอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพอใจเราไม่ไปคิดถึงความเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปคําถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะ กับขอกัออบเรียนขอให้หลวงพ่อแนะนากรณีพระที่ไม่ต้องการถือเงินและไม่มีอุปถาดแต่ต้องเดินทางติดต่อเวลาไปโรงพยาบาลหรือติดต่อหน่วยงานราชการควรปฏิบัติอย่างไรคะก็อย่าไปเลอยอรักษาจะเอาตั้งสองอย่างได้มันไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ต้องมออีถ้าไม่มีคนถือเงิ น, นอยากจะรักษาวินัยให้เข่งคล้าก็รักษาที่วัดไป คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะคุณพ่ออายุ67ปีฝากสอบถามพระอาจารย์ค่ะระหว่างทำวัดก่อนนอนชอบหลับตอนก้มกราบขอคำแนะนำในการปรับปรุงตัวครับก็อย่าทำก่อนนอนสิเพราะมันง่วงนอนแนละ้วทำตอนก่อนกินข้าวดีกว่ามันยังหิวอยู่ถ้ากินข้าวเย็นแล้วไปไปไหว้พระสวดมนมันก็อยากจะนอนนะัน ว่ายผ้าศรณ์ก่อนกินข้าวก่อนกินอาหารเย็นดีกว่าตอนนั้นใจมันตอนนั้นมันยังไม่อิ่มใจมันหิวมันจะไม่ง่วงเป็นเวลาทําอย่าไปทําตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วตอนนั้นมันอยากจะนอนนะถ้าไม่อยากจะหลับไม่อยากจะนอนก็ต้องทําตอนก่อนกินข้าวขออยากกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงก็เข้าห้องพระไปไว้่ายผ้าศรณ์ก่อนเพตอะนั้นรับประกันได้ว่าไม่ง่วงเพราะมันหิวหิวข้าว คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะปกติจะนั่งสมาธิสงบนิ่งแต่ช่วงนี้การปฏิบัติเหมือนมีนิวรณเข้ามาค่ะมีจิตคิดพยาบาทผุดขึ้นมาเองเป็นความไม่พอใจเกิดขึ้นดูขอวิธีแก้นิวรณข้อนี้หน่อยค่ะก็ใช้สตินี่แหละพอมันเกิดความพยาบาทเกิดความความโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าพังเนี่ยมันก็หายไป สตินี้เป็นญาวิเศษนะรับความทุกข์รับความโลภความโกรธความหลงได้ทันทีทันใจคือแต่ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปห้านาทีความโกมโรธ ก, ก็หายไปแล้วลืมไปแล้วไม่คิดโกรธใครก็ไม่รู้แล้วพยาย า, พยายามฝึกพุโทโธบ่อยๆถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาจะใช้พุโทโธมันใช้ไม่ออกมันจะสู้ความโกรธไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกไว้เรื่อยๆก่อนจนชำนาญพอถึงเวลาอยากจะใช้พุโทโธก็เหมือนกับมีดหรือปืนที่เราติดไว้ข้างๆตัวเราชักออกมายิงคู่ต่อสู้ได้เลยแต่ถ้าเอามีดเอาปืนไว้ที่อื่นเวลามีศัตรูเข้ามาต้องรีบวิ่งไปหาปืนหาหามีดมามันไม่ทันการก็ลเลยฝึกสติฝึกพุโทโธให้มันอยู่คู่กับใจเราไปแนบไปกับใจของเราเวลาที่เราต้องการใช้พุโทโธเมื่อไหร่ก็สามารถใายได้ทันที ถาอย่างนั้นแล้วเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่สามารถหยุดมันได้ทันทีเลยคำถามสักทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีวิธีไหนที่ไม่ให้กตกใจง่ายเจ้าคะก็ต้องไม่กลัวตายนะถ้าไม่กลัวตายก็ไม่ตกใจที่ตกใจว่ากลัวตาย ย, ยอมตายแล้วมันก็ไม่ตกใจแล้ว ไม่ยอมตายกันยังอยากอยู่กันอย่พอเกิดอะไรขึ้นมาก็ตกใจขึ้นแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วขึ้นมาท่นพูถ้าไมายอมตายอะไรก็อย่าว่าก็ยอมตายแล้วมันก็ เ, ยเฉยๆได้มรณานุสติให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยพอเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดางุ่งพ้นความตายไปไม่ได้คิดอยู่เรื่อยจะกล้าใจมันจะยอมไ ม, อม่ไม่ยอมไม่ยอมสืนความตายความตายมาเมื่อไหร่พร้อมยินดีต้อนรับหรือเหมือนกับเจอแฟนเก่า เวลาความตายมาเอาแฟนเก่ามามาเยี่ยมเราลนะอ่ามืออ้อมกอดก็เลยโอ้ดีใจดีใจได้เจอกันถ้าอย่างนี้แล้วจะไม่ไม่ตกใจเวลาเกิดอะไรขึ้นมาต้องนึกถึงความตายอยู่เลืเนีเพราะความตายเป็นความจริงไม่มีใครฝืนได้มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ถา้าเราไม่นึกไม่คิดมันเราก็จะ ล, ลืมเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆ ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆเราก็จะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมเตรียมใจไว้พอมีเหตุการณ์ที่จะมาคิดว่าทําให้เราตายเราก็จะไม่ตกใจเราก็จะเฉยๆนะแล้วผู้ที่ตายก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่ตายก็คือร่างกายเราเป็นใจผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นในายใจร่างกายเป็นบา่าวเราคือใจใจสั่งให้ร่างกายเดิน สั่งให้รั่งกายยืนสั่งให้รั่งกายนั่งสั่งให้ร่างกายนอนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆใจเก่านั่งกายเป็นคนละครกันใจไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนน่างกายใจเหือนเหมือนกับความว่างความว่างเราลองเอาปืนยิงยิงสายความว่างดูสิความว่างมันจะปเกิดอะไรขึ้นกับมันหรือเปล่าไม่เกิดใจเป็นเหมือนความว่างไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย แต่ขาดปัญญาไป็หลงคิดว่าเป็นร่างกายต้องใช้จิวิญญามาแก้สอนใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่จะตายคือร่างกายผู้ที่ตกใจก็คือใจแต่ใจไม่ตายฉะนั้นถ้าใจยอมตายแล้วใจก็จะไม่ตกใจต่อไปยังไม่มียังยังไม่มีค่ะไม่มีถ้าอยากจะถามก็เชิญก็มาถามได้นะไม่คิดตังไม่คิดสตังอ อยากอย่ามาถามตอนที่แรกแล้วนะเพราะว่าเสียงมันหมดเวลาพูดนี่ต้องอาศัยเสียงไมโครโฟนช่วยพอไม่มีไม้แล้วมันพูดออกมาแล้วมันมันไม่ค่อยดังคนฟังก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมีเรื่องอื่นต้องทําอีกเดี๋ยวคนนั้นก็จะมาขอว่าถ่ายรูปคนนั้นก็จะมากราบลามันก็เลยยุ่งไปหมดตอนนั้นตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในตอนนี้สะดวกที่สุด คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียงถามวิธีระงับความฟุ้งซ่านในช่วงระหว่างวันค่ะเราฝึกสติไปทั้งวันเนี่ยถ้ามีสติคมความคิดมันก็ฟุ้งไม่ได้ที่มันฟุ้งเพราะว่าเราไม่ไม่หยุดความคิดเราปให้มันคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เราใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดมันพอเริ่มรู้ว่าเรากเริ่มฟุ้งละเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป เหยียบเบรกของรถยนต์นะรถยนต์นี้ที่เราสามารถหยุดรถยนต์ตามที่เราต้องการได้เพราะรถยนต์มีเบรกพอไปถึงสี่แยกไฟดแดงเราก็เหยียบเบรกได้ฉันใดใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตลอดวันถ้าเราไม่มีเบรกเลยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นจนกระทัง่งมันฟุ่งขึ้นมาถ้าเราคอยบีเหยียบเบรกเยอะเรื่อยมันก็จะไม่ฟุ่งใหพยายามฝึกสติทั้งวันนึกถึงพุโทโธ บ, บ่อยๆ แล้วความคิดต่างๆจะชะลอตัวลงจะเบาลงแล้วจะทำให้ใจเบาขึ้นสบายขึ้นด้วยมีความสุขมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เรื่องหนักอกหนักใจก็มาจากความคิดนี่ยิ่งคิดยิ่งหนักอกหนักใจเพอเราหยุดความคิดด้ความหนักอกหนักใจก็จะหายไปคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ กลับนมัสการขอเมตตาให้คุณแม่ท่านวิโตกเป็นห่วงในตัวลูกชายคนเดียวตลอดเวลาท่านต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะ่ะก็วางใจว่าเราไปเป็นเป็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเราเราจะไป <c oughs> ทําอะไรแทนเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาทําดีเขาก็ได้ดีทํำชั่วเขาก็ได้ชั่วเรามป็นหน้าที่เพียงแต่สอนเขาเท่านั้นเองสอนเขาได้เท่านั้นเองแต่ทําแทนเขาไม่ได้ สอนให้เขาเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เขาไม่ทําชั่วไม่ได้ถ้าเขาอยากจะไม่ทําชั่วก็ช่วยไม่ได้วิตกกังวลไปก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเราไม่สามารถทําแทนเขาได้เขาต้องเป็นของเขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาดังที่พระเจ้าสงสัยให้เราคิจาราว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหมดแล้วเหรอยังไม่มีคำถามค่ะโอเ ค, ค<ำ>ไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนกำลังการสำรัวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด